ขันห้าเปรียบเหมือนรถลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนลักษณะของรถเนี่ยนะที่ที่เป็นตัวแยกให้เห็นความแตกต่างกันเนี่ยนะก็ท่านก็บอกว่าเหมือนโคกับลักษณะของโคเพราะอะไรเช่นลักษณะว่ามันดำมันด่างมันมีเครื่องหมายกากบาดหรือเขาถ้าเป็นรถก็มีอันนี้ยทะเบียนเนี่ยเป็นตัวลักษณะที่ทําให้ว่าคนและเจ้าของนะราทะเบียนรถเนี่ยนะทะเบียนนี้เป็นเหมือนกับ ลักษณะของรถเท่านั้นเองตัวขันห้าก็คือตัวอนิจจังลักษณะที่ไม่เที่ยงของขันห้านั่นแหละเรียกว่า อ, อ, อ, อนิจจารักษณะคือตัวอนิจจังคือตัวขันห้าที่เป็นอนิจจังนะใครจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามอนิจจงวันยังค่ำนะสมัยมีพระพุทธศาสนาก็าตามไม่มีก็าตามขันห้าอนิจจังทั้งปี แต่ว่ามีพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาสอนให้เห็นลักษณะที่เป็นอันนี้จังนะนะขันห้าก็เป็นทุกวันยังค่ำพบไหนกำเนิดในยุคไหนสมัยไหนขันห้าก็เป็นทุกพระพุทธเจ้าก็มาสอนให้เห็นลักษณะของทุกขันห้ามันก็เป็นอ่าเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาขันห้าเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตา ขันห้ามันจะปางไหนยุคไหนสมัยไหนมันก็อนัตตาวันยังค่ําใครจะไปเข้าใจผิดมันเป็นอัตามันก็เป็นอนัตตาวันยังคำ่ำพระพุทธเจ้ามาสอนให้เห็นลักษณะของความเป็นอนัตตาของขันห้าท่านพระพุทธเจ้าประกาศลักษณะอนะัตเพราะฉะนั้น เ, เห็นลักษณะรถก็เห็นตัวรถมันต่างกันยังไงจึงมีบางท่านนิยามว่าลักษณะนั้นเป็นบรรัญญัติ อันะก็เอาไปพิจารณานะว่าจริงหรือไม่ตัวลักษณะเป็นบัญญัติตัวปรมัตดเนี่ยก็คือตัวขันท่าก็ทําอะไรจะถามอยู่ประเด็นรัานคือบางทีเราเดินไปถ้าไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้สนใจบางทีขึ้นรถผิดก็มีนั <c oughs> ่นเหมือนกับว่ามันต้องคิดมันถึงจะเห็นจะต้องแยกแยะความแตกต่างคือการการพิจารณาพวกนี้นะ ที่ใช้ๆเนี่ยลองขับรถไม่ต้องคิดอะไรดูด็ดเบลเบลอเถอะนะลองขับรถในกรุงเทพนี่แหละลองไม่สนใจอะไรก็ไปเรื่อยไม่เห็นเป็นถนนอ่ะนะก็ไปตามเรื่อยไม่ผิดเลนกันแล้วกันเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้น เ, เนี่ยนะเพราะในการที่เรียกว่าทำตัวเฉยๆไม่ค่อยสนใจอะไรรับรู้อะไรเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติที่ชอบทำในโลกเนี่ยนะเพราะตัวตัวผู้าศาสนาจริงๆก็อย่างว่านะก็ตัวที่การที่เจรณา ตัวข้อปฏิบัติคือการเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะเพราะอะไรสีก็คือสีวันยังค่ําถ้าเราไม่พิจารณาสีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียงกลิ่นรสโภชภพัพฑธรมรมารมณ์ทั้งหลายก็คืออารมณ์นั้นๆั้นวันยังค่ําแต่ทีนี้แต่ผู้ศาสนาเนี่ยคิดอย่างกว้างขวางมากเนีย่ยนะเดี๋ยวนะจะลองแยกแยะให้ดูอย่างนึงว่าผู้ศาสนาเป็นศาสนาที่วิพัฒชวาทีเป็นเป็นเป็นศาสนาที่จําเนกแจกแจงเป็น เรียกว่ามองทุกด้านมองทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่สักแต่ว่ามีตามองเห็นเฉยๆแล้วตัวอย่างง่ายๆว่าตาเห็นรูปนหประกอบว่าตามีกี่รูปกนแยกมาหมดเลยใช่ไหมเช่นย่อๆนะห้าสิบสี่รูปสีมีกี่รูป อ, อ้อโฟกานี่เก่งนะ การถามเรื่องสีอะไรมันงั้นจะได้ตอบถูกมั้งกันนะถ้าสีม่านน่ะแปดนี่นนะเก่งเลยไทยเรียบตอบเรื่อสีอยเลยอะช้าๆน่ะดอกไม้แปดผมผมต้องดูว่าส่วนไหนใช่ไหมส่วนที่ฝังลึกในศีรษะสีะ่สิบสี่ส่วนที่อยู่ข้างนอกไปแปดนี่นนะเออแยกตอบนี้แจ๋วละแล้วสมมติว่า ถ้าในสี่สิบสี่เนี่ยเท่ากับว่ามีกี่สมุธฐานสมุธฐานนะกรรมจิตอุตัวหารเรียบร้อยแล้วนีนะพวกตาก็แยกสมุธฐานแยกปัจจัยอะไรเรียบร้อยแล้วนะอาศัยตากับกันเข้าเกิดอะไรขึ้นจากขูวิญญาณแล้วจากขูวิญญาณก็มาแจก เ, ก, เกิดจากอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมีปัจจัยอะไรก่อนหน้านี้แล้วมีกรรมอะไรเป็นปัจจัย แล้วกรรมมีกี่ประเภทย่อๆกรรมสิบสองกลุ่มมนันตระปัจจัยอีกแล้วพอจากคูวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปเป็นปัจจัยแก่สัมปติชันะสันตีระณะโวทัพนะแล้วต่อด้วยชาวณะย่อๆเป็นกุศลเตสายอะไรอีกอกุศลเนไทีนี้สายกุศลแยกมาใหม่กุศลก็แบ่งเป็นสายทาน สายศีลภาวนาเย้ไงสายอคกิชนแบ่งย่อๆโลภะโทสะโมหะคิดยังไงเป็นทานในสีอันนั้นคิดยังไงเป็นศีลคิดยังไงเป็นภาวนาเนี่ยเพราะภาษะเป็นตัดใจนะคิดยังไงเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาแล้วทานเนี่ยมีกี่ประเภทศีลมีกี่ประเภทภาวนาก็แบ่งไปอีก แล้วในบรรดาภาวนาก็แบ่งเป็นย่อยๆใช่ไหยสมถะกับวิปัสนาถ้าเป็นสมถะคิดยังไงเป็นสมถะสมถะอะไรสมถะกี่ข้อวิปัสนานี่มีกี่กลุ่มอะนะแยกไปเรื่อยๆโดยที่มีสีเป็นอารมณ์เนี่ยอันนะีแล้วถ้ามีสีเป็นอารมณ์ถ้ากลุ่มโลภะมันมีอะไรแบบแบบมีมานะร่วมหรือเปล่ามีทิฏฐิร่วมหรือเปล่าเนขนะาโทสะมี อิจาร่วมหรือเปล่ามีมัจเฉริยะร่วมหรือเปล่าหรือกุกุจะเกิดร่วมถ้าโมหะเมียหิริกาอานุตปะอะไรเกิดร่วมบ้างคิดยังไงจึงเป็นโลภะคิดยังไงเป็นโทสะคิดยังไงเป็นโมหะทําไมจึงเป็นโลภะโทสะโมหะแล้วอากุศลมาแก้อากุศลไนดะ้ยังไงยงนะก็เริ่มมันจะจำแนกแจกแจงวันตามองเห็นสีแล้วก็ต า, ตามองเห็นตาเกิดอะไรขึ้นถ้าหยุดอยู่เท่านั้นก็อย่างว่านะ ฐนพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะที่พระองคอุตสาทังซ้อนนั่นงั้นการคิดการไข่ครวนเนี่ยนะจึงจึงเป็นวิธีการไข้ครวนที่ที่เป็นข้อปฏิบัติในในพระศาสนานี้จริงๆทงัน้นการทิจารณาถึงตัวอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยนะซึ่งเป็นนิมิตแห่งสมถะและวิปัสสนาได้ยังไงนะ่นง ตอนนี้ทำไมบอกว่าอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเป็นบัญญัติครานี้บัญญัติจะเป็นอารห์วิปัสสนาได้หรือครับอืมเอาพูดง่ายๆเนี่ยนะอยากเรามีหม้อทะลุอยู่สามทะลุอยู่หม้อหนึ่งหม้อเนี่ยมันรั่วอยู่สามรใูใหญ่ๆซึ่งตะก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้นี่นะถามว่า เราไม่ต้องการหม้อหรือไม่ต้องการรูไม่ต้องการดังนั้นใช่ไหมเพราะอะไรเราจึงทิ้งหม้อเพราะมันมีรูเห็นไหมเอาแล้วที่อื่นเนี่ช่องบ้านก็มีรูทําไมไม่เอาทิ้งอ่ะอันนั้นเอนะเอทําไมอย่างนั้นใช่ไหก็มามาคิดดูะนะออย่างอื่นมันก็มีรูะนะถ้าเป็น หม้อบางอย่างนั้นมันมีรูทำไมเราเอาอ่ะอทำไมเราจึงเอาอ่ะนะมันก็มีรูเหมือนกันอ่ะทำไมเราจึงเอาอ่ะนะก็อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะเหตุผลคือรอบข้างเนี่ยถามว่าตัวรูกับตัวหม้อมันอันเดียวกันไมหมละ่ะไม่ใช่ถ้าอาศัยรูใช่ไหมเขาจึงเรียกว่าหม้อทะลุนี่นะถ้าไม่มีรูก็ไม่เรียกว่าหม้อทะลุ แล้วถามว่าการพิจารณาหม่อหรือพิจารณารูแล้วรูมันเป็นบัญญัติหรือเป็นตรมัดเนาเอารูนี่มีสภาวะไม่รูมีกี่รูปอ่ะแล้วรูมีมีรูไหมอาอปริเชษทากาศมีกี่รูปมันไม่ใช่รูปอ่ะอปริเชษากาศเนี่ยนะคือคือคว่าไม่ใช่รูปแปลว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรรูปยี่สิแปดไปจับไม่รู้จะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าปริเฉทรูปเป็นสัมมาสนรูปไหม มันก็เป็นอสภาวะรูปเอาแล้วแล้วตกลงแล้วรูปรูมจะเอาเอาหมอ้อหรือเอารูจะทิ้งรูหรือจทิ้งหมอ้อกันแนะ่อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะนะว่าอันนี้จังทุกขังอนาัตตานี่มันก็เหมือนกันคือเพราะมันมีลักษณะแบบนี้นี่แหละจึงไม่น่าต้องการไงเนื่องจากจริงๆอ่ะนะเนื่องจากว่าที่เรารังเกียจขันห้าไม่เพลิดเพลินขันห้าไม่ต้องการขันห้าเพราะมันมีลักษณะสามประการ เนี่ยนะคือขันห้ามันน่ารังเกียจเพราะมันมีอนิจจาลักษณะทุขลักษณะและอนัตตลักษณะและตัวลักษณะมันมันคือขันห้าไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ขันห้าเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยทั้งพิจรารณาทั้งโดยบัญญัติและโดยปรมาภะเคล้ากันไปเนี่ยนะเพราะอยากว่าถ้าบอกว่าการเจริญนิพพานเนี่ยนะรูปที่ควรเจริญมีกี่รูปสิบแปดรูป เอาแล้วเรามาเรียนทำไมรูปอีกตั้งสิบรูปให้มันหนักใจทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องท่องนะลดไปตั้งสิบรูปอนะเฮ้ยไม่น่าเรียนเลยเนาะอุปตยะสันต ต, ติชาราตานิจจตาก็ไม่รู้จะเรียนไปทำอะไรเนี่ยนะปริเฉดทะรูปเรียนไปทำอะไรเอาเพามันไม่มีสภาวะมันไม่ใช่สัมมาสนะด้วยไม่ควรพิจารณาด้วยเรียนไปทำไมแล้วบัญญัติมันมีจริงหรือไม่จริง บัญญัติมีจริงหรือไม่จริงบอกลองมีจริงเนีย่ยนะถ้าไม่จริงก็สื่อกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเห็นั้นการที่ารนานเนี่ยนะอย่าไปรังเกียบบัญญัติเลยเพราะคนที่รังเกียบบัญญัติจริงๆอ่ะนะเขาก็ยึดบัญญัติอีกเหมือนกันเขาเพราะว่าอย่างอย่างคาว่าบัญญัติปรมัด ต, ต่างกันยังไงถ้าเล่นคำกันนะ คำว่าบัญญัติกับคำว่าปรามัดมันต่างกันตรงไหนเนี่ยแล้วมีปรามัดอะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเลยมีไหมไม่มีแล้วมีบัญญัติอะไรบ้างที่ไม่มีสภาวะรองรับอยู่เลยไม่มีที่ที่บัญญัติอะไรที่ไม่มีสภาวะรองรับไม่มีไม่มีปรามัดอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าที่ใดพูดบัญญัติ แสดงว่าเบื้องหลังองเขาคือปรมาทเพราะคําว่าปรมาทวิเคราะห์สัพท์นะวิเคราะห์สับเพราะว่าชื่อว่าปรมาัาทเพราะอาธิวาว่าเป็นประธานหรือเ ป, ญญร เ, นะเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติอยู่แล้วถ้าพูดบัญญัติที่ไหนให้รู้ว่าเบื้องหลังมันมีสภาวะรองรับอยู่เนี่ยนะะท่านหรือว่าแม้ถ้าใช้คําว่าจิตเจตสิกรูปขันธะอริยตนะเท่านั้นหรือจริงเป็นปรมาัาท พาพวกนี้มันก็เป็นโวหารกันขึ้นนะนักๆเข้าก็เลยมาว่าถกกันในเรื่องพยัญชนะแล้วแต่จริงๆแล้วนะทางธรรมะเนี่ยเามาว่าไม่มีวิชาไหนที่จะรอบครอบเท่ากับวิชาทางพุทธศาสนาแล้วท่านกลัวเราจะเข้าใจผิดหมดเลยนะท่านนี้ข้อศัพ์คำว่าปรม า, รราะอัถาว่าเป็นประธานของอาาัฏบัญญัตและสัพธบัญญัตท่านก็วิเคราะห์ให้เบ็ดเสร็จหมดนะแต่ว่า เพราะฉะนั้นที่ใดที่กล่าวคำว่าบัญญัติที่นั่นก็เท่ากับแสดงประมาทแล้วพ่อมีหรือไม่มีตกลงอ ย, อยู่ที่พ่อคือรูปใช่ไหมหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณเอาอะไรกันแน่ครับอันนี้เขาจะแยกแยกตรงนี้นะครับว่าจะมีบัญญัติ ที่มีมีจริงกับบัญญัติในสิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยคือบัญญัติถึงว่าบัญญัติที่ไม่มีอยู่จริงเนี <c ười> ่ยนะการบัญญัติที่ไม่มีอยู่จริงก็เชื่อว่าว่าจริงแต่จริงตามโวหารของโลกเนี่ยนะคือมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ว่าบัญญัติบัญญัติก็มาแบ่งเป็นสองอย่างว่ามีจริงไม่มีจริง คำว่ามีจริงหรือไม่มีจริงตัวนี้นะต้องทวรอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าบัญญัติมีที่ใดให้รู้ว่าตรงนั้นมีประมาทรองรับอย่างเช่นว่าบัญญัติมีจริงหรือไม่มีจริงอ่ะนะมันก็มีประมาทรองรับอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะคืออย่างนี้ว่าเช่นบัญญัติมีจริงคือบัญญัติว่าขันธาตุอายตนะอินทรีย์ ปฏิจจะสัจจะเป็นต้นเนี่ยนะส่วนบัญญัติที่ไม่มีจริงอ่ะนะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาผมใช่ไหมเป็นนาเนี่ยนะตกลงแล้วจริงหรือไม่จริงตกลงกษัตริย์ พราหม์เนี่ยนะแพทย์สูตรหัวหน้าลูกพี่ลูกน้องทาดกรรมกรเจ้านายลูกน้องเนี่ยนะพวกนี้ไม่จริงโดยสภาวะแต่ก็มีขันรองรับอยู่นะคือคือคือแยกถ้าแยกแบบละเอียดไปจริงๆก็มีแต่ขันธาสอายตนะแต่ขันทาสอายตนะโดยสภาวะแบบเนี้ยมันรองรับคำเหล่านี้อยู่ อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะรับคำว่าพ่อแม่พี่น้องญาติลุงป้าหน้าอาเป็นต้นเนี่ยนะก็อาศัยแยกมาโดยสภาวะก็คือขันธ์าตุยตนะทีนี้ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะใส่ใจแต่บัญญัติที่ไม่มีจริงซะส่วนใหญ่คือคือบัญญัติที่ไม่ควรแก่การพิจรารณาเพราะบัญญัติพวกนี้เป็นโวหาระนะโวหารที่ที่ไม่ใช่โวหารของพระอริยะเป็นโวหารที่ตาม สิฏส่วนใหญ่เป็นโวหารที่ต่อด้วยทิฏฐิเป็นโวหารเป็นที่ตั้งแห่งนิจฉาทิฏฐิแต่โวหารว่าขันธ์าตุอายตนะไม่เป็นโวหารที่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิแต่เป็นโวหารที่จะทําให้เข้าใจสัจจะตามความเป็นจริงแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือบัญญัติเพราะบัญญัติว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนบัญญัติแบบนี้สอนไว้ที่ไหน โดยมากสอนไนนในพระวินัยกับพระสูตรต้องก้องสอนเนี่ยบัญญัติที่เรียกว่าพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาเช่นอทิกษุดูแลพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีสิกข้าบททั้งหลายเหล่านั้นเออนี่ถ้าเป็นญาตินะเธอปรุงยาให้ได้ไม่ใช่ญาติปรุงยาให้ไม่ได้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องเอาอะไรมาบอกว่าเป็นญาตินะเห็นไหมเนี่ยมันการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงทั้งบัญญัติทั้งโดยปรมัติตย การบัญญัติแยกแ ย, ยะถึงจะแง่มุมใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นเลยทีนี้เราก็อย่าไปรังเกียจว่านั่นบัญญัตินี่ปรามัดนะถ้าเรารังเกียจก็ติดในในคําเหล่านั้นอีกนั่นแหละเพราะคําเหล่านี้พระ อ, องค์ก็ไม่ได้บอกว่านั่นภิกษุทําไมเธอเอาเรื่องบัญญัติมาคิดนี่ไหมคือจริงก็จริงโดยโวหารเนี่ยนะอย่างคําว่าขันเนี่ยก็เป็นเป็นบัญญัติทั้งนั้นนะ ก็จึงมีคัมภี์อย <osos> ู modeling, ่คัำพีหนึ่งเรียกว่าชะปัญญาติโยคันธ่ปัญญาติอัจฉระปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจะปัญญาติอินทรียะปัญญาติปุคละปัญญาติกิตาวตาปุคลานังเนี่ยนะในคัมภีอะไรปุคละบัญญัติก็ยังแสดงว่าแม้แต่ธรรมวินัยทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเอานะพระไตรปิฎกทั้งหมดคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นแต่ถามว่า การบัญญัติอย่างนี้สอดคล้องที่จะดับทุกไหมเนี่ยนะการแสดงคำของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นทั้งหมดเราเนี่ยนะควรแก่การพ้นทุกไหมก็ควรแก่การพ้นทุกอยู่แล้วถ้าสําหรับบุคคลผู้พิจารณาตามผู้ผู้ปฏิบัติตามก็อย่างที่ว่านะก็คงไม่ลืมยุติหาระนะอัธยุติกับสัตยุติในขณะเดียวกันว่าถ้าโดยอัฐานียุติลงที่ไหนอันนเอาอะไรเป็นเครื่องวัด พระสูตรพระวินัยธรรมดาพระสูตรคือเข้าในสูตรไหมเข้าอริยศาสตร์ไหมสองกำจัดราคะโทสะโมหะได้จริงไหมสามแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทไหมทีนี้แต่ว่าการที่เอาบัญญัติที่มีจริงไม่มีจริงมาคิดนะั้นมันมีความเสียหายอยู่มันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ที่ททจเจริญวิปัสสนาแบบ แบบเอาบัญญัติที่ไม่มีจริงมาพิจารณาแล้วเสียหายมีเห็นไหมเออถ้าพวกนี้เนี่ยถามว่าต่ออันนี้คือทุกข์ใช่ไหมต่อ น, นี้ด้วยสมุทัยได้ไหมพ่อพ่อสมุทัยพ่อเนรโรทพ่อนรโรทคามไม่มีปฏิปทาถามว่าทําได้ไหมยอย่างเงี้นี่เริ่มขัดแล้วนะดังนั้นบัญญัติที่ไม่มีจริงไม่ควรเอามาสแสดงในแ ง, นนงน่นี้เห็นะห แต่ถ้าแสดงว่าขันรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้ได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ได้เพราะฉะนั้นการการบัญญัติของพระพุทธเจ้านี่จะต้องมีการพ่ อ, องที่เจรารอบครอบหมดแล้วเพราะนั้นเราในฐานะาสาวกน่าเรียนตามอย่างเดียวถ้าเราไม่ทําตามนะจะเริ่มยุ่งแล้วนะถ้าบอกว่าพ่อพ่อสมุทยัยพ่อนิโรธพ่อนิโรธคามินีปฏิปทาถามจะทํายังไงต่อไปอ่ะเนีะ ก็พ่อมีโลภะนะครับถึงมีพ่ อ, อ, พอเลยมีพ่อสมุทัยใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นพ่อสมุทัยควรข่า <laughs> พ่อคือเนี่ยควรยุ่งไปหมดเลยนะมันวุ่นวายจริงๆถ้าถ้าถ้าเดินตามนะถ้าเดินผิดนะถ้าเอาบัญญัติที่ไม่มีจริงมาประมวลลงในแนวอริยสัจผิดถ้าเอาสัจจะที่มีอยู่จริงประมวลลงสัจจะอันเนี้ยถูกนะเนี่ย ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะจั๋หวะ